มาแดงมาแดงเอาจีวรมาถวายทามันเกิดเกิดอยากจะถวายดีโมทนานะพวกเราเอาจีวรมาให้หลวงพ่อปีปีหนึ่งเยอะนลวงพ่ะไม่ได้เอาไปขายต่อนะไม่ได้ขายไม่ได้เอาไปทิ้งอย่างพระในวัดเนี่ยจะเปลี่ยนจีวรบ่อยๆก็ไม่ได้นะอย่างน้อยต้ใช้หลายๆปีเนี้ยให้เปลี่ยนทีนึง เงี้ยจีวรที่เหลือใช้นิดเดียวใช้ไม่ไม่กี่เปเอร์เซนต์หรอกจีวรที่เหลือเนี่ยส่งไปให้ทางอีสานคนทางโน้นจนยากจนบางคนจะบวชนะเข้าไปที่ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ดุลอยู่ล้วจะบวชเข้าไปหาหลวงปู่นะบอกจะบวชหลวงปู่ต้องจัดให้หมดทุกอย่างเลยนะทั้งบาททั้งจีวรท่านก็เป็นอุปชาเอง เดี๋ยวนี้อุปชาหลวงพอ่อท่านก็ทำต่อปีปีหนึ่งคนมาขอบวชเนยะเยอะเลยนะท่านก็ต้องเอาผ้าให้เอาบาทเอาจีวรเอาอะไรใหนะ้ได้ไปจากพวกเราคนทางนี้แหละภาคกลางเอามาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อส่งไปให้ท่านนะปีปีหนึ่งเยอะมากเลยของส่งไปปีงหลายคันรถนะให้ท่านแล้วท่านไปกระจายต่อ เงี้ยไม่ได้เอาไปทิ้งไม่ได้เอาไปขายที่พวกเรามาให้ทุกอย่างเอาไปทําประโยชน์รั่วไหลบ้างมีมีไม่ใช่ไม่มนะีเราก็ดูได้ไม่ทั่วทุกหนทุกแห่งก่อนหน้านี้ก็มีคนงานเนะบิกของเนะบิ ก, บ ก, บ ก, บ ก, บกเบิกเบิกเบิกเบิกจนกระทั่งผิดสังเกตนะเอาไปขายออกไปละของ ที่ญาติโยมมาถวายหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะเกิดจากพลังของความศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธาหลวงพอ่อเราต้ใช้ให้เป็นประโยชน์กับพระศาสนาให้มากที่สุดเนะมื่อวานไปเทศวัดยานาวามาได้ของเยอะเหมือนกันก็ให้เข้าไปให้เงินเข้าไปไปทำบุญนิทิอะไรเขาคนเยอ ะ, อะไยฟัง เขาก็รับได้เต็มที่เขาได้เท่านั้นได้เจ็ดร้อยคนเจดร้อยว่าคนกปกติก็คนไม่มากเทศ2สองร้อยอะงี้ก็เยอะแล้วนนคือคนสนใจธรรมะเป็นเรื่องดีนะสังคมเราทุกวันนี้ร้อ น, หนนะเหลือเกินเบียดเบียนกันตลอดเวลาขมเหงรังแกกันทุกรูปแบบเลยนะพวกเรามีชีวิตอยู่เหมือนสัตว์ในอบาย จริงๆเราแทบจะเป็นอบายภูมิอยู่แล้วนะตอนเนี้ยเป็นอบายในคราบมนุษย์เท่า น, นั้นเองเพราะใจคอของคนมันไม่ใช่มนุษยนะ์มันต่ำกว่ามาตรฐานมนุษย์ไปเยอะแล้วศีลธรรมมันไม่มีเงั้นคล้ายๆพวกเรามาเกิดเลยกึ่งอบายร่างกายยังเป็นมนุษย์นะแต่ใจแวดล้อมด้วยสัตว์ในอบายภูมิความจริงครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อมานานแล้วท่านบอกว่าช่วงหลังๆ ห, หน้า หลังของท่านคือหลังสงครามสงครามโลกท่านบอกว่าศีลธรรมมันเสื่อมไปกระแสของบาปเนี่ยมันเต็มบ้านเต็มเมืองกระแสชั่วเนี่ยมันจะไปดึงจิตวิญญาณชั่วๆมาเกิดเนี่ยเยอะมากเลยท่านก็บอกว่าบ้านเมืองต่อไปคงวุ่นวายหาความสุขอะไรไม่ได้ท่านบอกไว้อย่างงี้เราก็ต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งนะในโลกไม่มีที่พึ่งจริงอะ่ะเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังนะ ทำธุรกิจอยู่ดีๆนะมีรายได้งามรายได้ดีอะไรเงี้ยอยู่ๆว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่บอกชื่อหน่วยงานนะก็มาบอกว่าสงสัยว่าจะค้ายาบ้าเพราะว่ารวยอายัดทรัพย์ทั้งหมดเลยนะฟรีดไว้เฉยๆฮะเพื่ออะไรเพื่อจะเอาทุกวงการเลย มันคล้ายๆเราอยู่ในอายภูมิเต็มทีแล้วนะมันไม่มีที่พึ่งที่อาศัยแล้วเรามาสร้างความเมตตาขึ้นในใจของเราอย่างน้อยเราไม่เบียดเบียนคนอื่นมีความเมตตากรุณาในใจของเราสร้างขึ้นมาแล้วต้องดำารงชีวิตด้วยสติดำารงชีวิตด้วยปัญญาอย่างมากๆด้วยเรายืนอยู่ริมบ่อของอายภูมิอยู่ เราไม่ได้เบียดเบียนใครคนอื่นมันก็พร้อมจะมาเบียดเบียนเรามนะีอย่างนี้เสมอเลยเมื่อวานก็ไปกราบพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะเทศเสร็จแนละท่านก็เล่าว่าโอ้ยโดนกันทั้งนั้นอนะ่ะพระโดนเล่นงานใครทํางานก็โดนนะท่านบอกท่านไปอเมริกาโดนพวกร้ายๆท่านไม่บอกว่าพวกไหนนะร้ายๆ โยม่็นิมนต์พระไปอยู่ที่อเมริกาอยู่กันสี่องค์พอตกเย็นโยมก็กลับบ้านไปหมดล้วมันมาล้อมวัดไว้เป็นร้อยเลยะหาใครช่วยก็ไม่ได้ถ้านบอกเห็นอะไรเนี้ยคิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรพระธรรมพระสงฆ์นะคิดถึงคิดถึงคุณไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วมันจะมาฆ่าเอานะก็พอดีมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยก็เอาปืนมา แล้วก็บอกพระต้องมีปืนนะเอาไว้ป้องกันตัวท่านบอกว่าพระมีปืนไม่ได้มียิงใครไม่ได้น่าท่านเอาไว้เหรออย่างน้อยต้องมีบาทหลวงแถวแถวนี้เขาก็มีกันทุกวัดแหละมาๆก็ยิงมันเลยไม่บาปหรอกท่านบอกว่าพระของเตรวาดเราทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ ถ้าบอกเนี่ยโอ้โหมันเบียดเบียนกันน่ากลัวนะหลวงพ่อคำเขียนนะก็เคยเล่าอาจารย์โดนน้อยกว่าผมอีกมันเอาไม้มาบรรทุกมาตอนกลางคืนนะมาทิ้งไว้ริมรั้ววัดอนะ่ะพอเช้าอาตํารวจมาจับท่านบอกว่าไปตัดไม้เถื่อนมาอย่างเงี้ยโดนเนี่ยเราไม่เบียดเบียนใครนะแต่สัตว์โลกมันเบียดเบียนเราเมื่อไร่ก็ได้โดยเฉพาะสัตว์โลกยุคที่มันไม่มีศีลมีธรรมยุคนี้นะ เอาผลประโยชน์เป็นหลักในท้ำกลางความเร่าร้อนวุ่นวายอย่างนี้สิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือธรรมะไม่งั้นสติแตกแน่เลยแม่ก็ต้องช่วยตามเขาไปด้วยถ้าไม่ช่วยอย่างเขาอยู่กับเขาไม่ได้เมื่อวานก็มีพระมาปรับทุกข์เนี่ยออกจากรั้ววัดไปห้าเก้านะก็ขายยาบ้ากันผมจะทำยังไงดีว่าเอา้ามันอยู่นอกรั้ววัดแล้วไปเกี่ยวอะไรกับท่านเลยเกี่ยวสิ มันใช้ทางในวัดของผมนี่แหละเป็นทางผ่านไปซื้อยาบ้ากันเวลาขนนั่นก็ขน ผ, นผ่านวัดอีกนะเเดี๋ยวมันวันนึงนะถ้ามันไม่พอใจผมมันเอายาบ้ามายัดกูตีผมผมุ้งจะทำยังไงเอา้าอาจารย์ก็ย้ายวัดหนีไปสิช่ไปทําอะไรกับมันได้บอกโอ้โหมันทุกหวัวและแหงเลยนะเราต้องช่วยตัวเอง่อ มีชีวิตด้วยสติด้วยปัญญานะพยายามรักษาตัวไปท่ามกลางความเาร้อนความวุ่นวายความเศร้าหมองมาฝึกใจของเราเราไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นหรอกจพึ่งรัฐบาลจะพึ่งนักการเมืองพึ่งสอสอพึ่งข้าราชการพึ่งใครได้แต่ละคนก็ยังพึ่งตัวเองไม่ค่อยจะได้เลยในโลกยุคนี้นะเอาธรรมะไว้ไม่อย่างอื่นไม่มีแล้ว ใจอยู่กับพุโทโธไปนะอย่างน้อยมีชีวิตที่สงบสุขท่ามกลางความวุ่นวายให้ได้ความทุกข์เข้ามาได้แค่ร่างกายความทุกข์จะเข้ามาถึงใจไม่ได้ถ้าฝึกให้ได้อย่างนี้ส่วนจะห้ามความทุกข์ไม่ให้มากระทบร่างกายกระทบสิ่งแวดล้อมเราเลยนะห้ามไม่ได้อย่างบางคนปลูกบ้านซะสวยเลยนะเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนก็มีคนมาเล่ามีที่ดินอยู่นะจะจะไปปลูกบ้านอยู่ให้สบาย อยู่ๆเขาก็มาสร้างคอนโดนะคล่อมหลังคาบ้านไปแล้วนะเดี๋ยวอะไรก็ตกใส่หลังคา <c oughs> นอนๆ อ, อยู่ก็หวัดเสียวตัวกระถางต้นไม้บนคอนโดลอยลงมาทะลุหลังคาอะไรเงี้ยนี่เราเลือกไม่ได้ใช่ไหมอยู่ๆคอนโดมันมาอยู่อย่างเงี้ยนะคือมันมีสภาพแวดล้อมมีอะไรต่ออะไรซึ่งเราบังคับไม่ได้อยู่นอกอำนาจเนี่ยมากมายเหลือเกินถ้าเราเครียดกับมันมากก็ประสาทกินนะเครียดเปล่าๆ ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกอย่างน้อยมีปัญหาก็ให้มีปัญหาไปแก้ปัญหาไปแต่ใจอย่าไปทุกข์กับมันแยกให้ออกระหว่างปัญหากับความทุกข์เป็นคนละสิ่งกันคนอื่นสร้างอะไรให้เราได้คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างทุกข์ใส่ใจตัวเองความทุกข์มันเกิดจากอะไรความทุกข์มันเกิดจากเรายอมรับความจริงไม่ได้ยอมรับปัญหาไม่ได้ก็ทุกข์ะ อย่างปัญหาคือร่างกายนี้เราต้องแก่เรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์ร่างกายต้องเจ็บยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ร่างกายต้องตายยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มีชีวิตเนี่ยบางทีก็พลัดพรากจากคนที่เรารักยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มีชีวิตอยู่บางทีก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ไม่ปรารถนานเช่นอยู่ๆมาตั้งผับตั้งบ้านหน้าบ้านเราเนี่ยจะทำไงอะ่ะบางบ้านก็กลุ่มใจมีลูกสาวด้วยนะ มาตั้งผับตั้งบาตั้งซ่องอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาทั้งหมดเลยพวกเราชาวพุทธจะมาฝึกฝนจิตใ จ, จตนเองนะให้เป็นปัญหาก็อยู่ส่วนปัญหาแต่ว่ามันไม่เป็นทุกข์เข้ามาสู่ใจวิธีที่จะฝึกให้ความทุกข์ไม่มาสู่ใจนะั่นก็คือให้มองโลกอย่างที่มันเป็นโลกนี้ไม่สมอยากหรอกโลกนี้มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าไปหวังว่าโลกจะหยุดนิ่งคําว่าโลกเนี่ย ลึกเข้ามาก็คือกายกับใจของเรารนะวมทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยเราพยายามทำให้มันดีแค่ไหนนะถึงวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปอย่างร่างกายนะรักษาให้แข็งแรงเท่าไหร่นะถึงวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปนะบ้านเราเรารักษาอย่างดีเลยดูแลอย่างดีนะวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปนะทุกอย่างนี้มันเป็นของชั่วคราวทุกอย่างมันไม่ไม่หยุดนิ่งนะมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาเราจะไปหวังลมๆแรงๆว่าทุกอย่างจะต้องหยุดนิ่ง ในสิ่งที่เราพอใจเป็นไปไม่ได้ถ้าเรายังอยากยังหวังในสิ่งที่ฝืนความจริงความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราอยากในสิ่งที่ฝืนความจริงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมันแก่ก็ไม่กลุ่มใจนะเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพะมันเจ็บมันตายก็ไม่กลุ่มใจ มันพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องรประสบกับสิ่งที่ไม่รักต้องเจอกับปัญหามากมายน า, นานาชนิดนะจิตใจก็ไม่กระเพื่อมวันไหวนะรู้ความจริงว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละนะมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาวะอันใดนหนึ่งไม่ได้อุตสาหไปปรับสภาพแวดล้อมซะดีเยี่ยมเลยถึงวันนึงก็เสียไปทนะุกอย่างเคลื่อนที่ตลอดเวลานะทําใจให้ได้นะทำสิ่งที่ดีที่สุดนะแล้วก็ทําใจให้ได้ว่า แม้จะทำได้ดีที่สุดแล้วนะก็ไม่สมอยากหรอกถ้าใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้ใจจะไม่ทุกข์ปัญหาจะมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์หรอกเพราะใจยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างมันไม่คงที่หรอกนะนี่ทาไงใจจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างไม่คงที่ตั้งสติขึ้นมานะามีความรู้สึกตัวขึ้นมาถอนตัวเองออกจากผู้เกี่ยวข้องความเป็นผู้เกี่ยวข้องมอเป็นคนุงนอก มาดูทุกอย่างแบบคนวงนอกไม่มีส่วนได้เสียอย่างร่างกายเราจะแกร่ร่างกายเราจะเจ็บร่างกายเราจะตายเราถอดถอนใจของเรามาดูแบบคนวงนอกก็จะเห็นเหมือนว่าคนอื่นแก่คนอื่นเจ็บคนอื่นตายไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายหรอกเห็นร่างกายกับสิ่งแวดล้อมภายนอกก็เป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุอย่างเดียวกันมีความกระเพื่อมไหวมีความเปลี่ยนแปลงเ ห, เหมือนกันหมดเลยเราก็จะไม่ทูกไปกับมันหรอก เนื้อวิธีก็คือจะได้เห็นความจริงเนี่ยก็ต้องใช้วิปัสสน า, ากรรมฐานนะให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางลเราต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วก็รู้สภาวะไปความสุขเกิดขึ้นก็รู้ไปก็จะเห็นเลยความสุขมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกขเกิดขึ้นเราก็รู้นะรู้แบบคนวงนอก ก็จะเห็นเลยว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยกุศลก็ชั่วคราวอากุศลก็ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเรามีแต่ของชั่วคราวเราพาจิตให้เห็นของจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าพามันดูของจริงเรื่อยไปมีแต่ของไม่เที่ยงนะผ่านมาแล้วผ่านไปมีแต่ของที่ทนอยู่ไม่ได้จริงมีแต่ของที่บังคับให้เป็นไปตามใจอยากไม่ได้ การที่ใจได้เห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําเล่านะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่านั่นแะ <g arden> สุดท้ายใจจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยพ <g arden> อใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ความทุกข์จะหายไปเยอะเลย <g arden> หายไป 80% เปอนตเลยเช่นเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยเราก็รู้มันธรรมดานะ <g arden> อยู่ด้วยกันมาช่วงหนึ่งก็ต้องพลัดพรากเนี่ยถึงจะรักกันไม่ได้เจตนาพลัดพรากบางทีก็พลัดพราก แฟนเราอยู่ๆเป็นมะเร็งตายไปก็มีเยอะแยะไปรถทับตายไปก็มีสารพัดถ้าใจยอมรับว่ามันชั่วคราวนะดีเท่าไหร่แล้วที่เราได้เคยอยู่กับคนที่เรารักมาช่วงหนึ่งใจมันจะมองในทางบวกนะ mm. บุญแล้วล่ะที่เราได้อยู่กับสามีเราสามีเราเป็นมะเร็งตายไปแล้วเนี่ยขาบุญแล้วที่ได้มีสามีดีๆอย่างนี้เคยอยู่ด้วยกัน ม, มองในทางดีนะไม่ใช่รู้สึกว่าเราขาดทุน รู้สึกกำไรด้วยซ้ํำไปได้เจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตแค่นี้ความทุกข์ก็หายไปเยอะและ้วแต่ถ้ามีสติปัญญาลึกซึ้งกว่านั้นอีกก็จะเห็นหน่งไม่มีคนหรอกไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนะมีแต่วัตถุธาตุมีแต่ธาตุมีแต่ขันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตัวเราก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีเห็นอย่างนี้ยิ่งไม่ทุกข์ใหญ่เลยนะนนเรามาเห็นความจริงของชีวิตนะเมื่อไรจิตยอมรับความจริงของชีวิตได้ความทุกข์ก็จะหายไป เหลือแต่ปัญหาปัญหาก็ประดังเข้ามาเรื่องนี้หมดไปก็แก้ไปด้วยสติปัญญาเรื่องใหม่ก็มาอีกไม่มีวันใดเลยที่ไม่มีปัญหาปัญหากับชีวิตเป็นของคู่กันมีตลอดเวลานี้มีปัญหาแล้วใจยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวก็นะอยู่ได้ไม่ทุกข์มากหรอกนะอย่างเช่นยากจนปีนี้ทาไรทานามไม่ได้ผลใชนะ่ยากจนกลุ้มใจก็นะดูไป ความสุขมันก็ชั่วคราวนะความทุกข์มันก็ชั่วคราวนะมีเรื่องรุ่มใจดูดูดไปก็งั้นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างบางคนทุกข์มากๆหลวงพ่อสอนคาถาให้ท่องไหมท่องคาถาไว้นะคาถาศักดิ์สิทธิ์มากเลยเวลาเรามีความทุกข์มากๆนะท่องไหมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีหรอกความทุกข์ที่ไม่ผ่านไปไม่มีหรอกปัญหาที่ไม่ผ่านไปทุกอย่างชั่วคราวหมดเมื่อไรเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะ ความทุกข์จะหายไปเยอะเลยเพราพวกเราฝึกให้ได้นะดูไปในจิตในใจของเรานี่แหละมีแต in ่ความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกข์ก็ชั่วคราวแล้วก็หายไปดีก็ชั่วคราวแล้วหายไปโลภโกรธหลงขึ้นมาก็ชั่วคราวแล้วก็หายไปะดูอย่างนี้เรื่อยไปซ้ําแล้วซ้ําอีกจนใจยอมรับปิ๊งขึ้นมาเลยทุกอย่างชั่วคราวถ้าเห็นทุกอย่างชั่วคราวคราวนี้สบายแล้ว อยู่กับพวกชั่วได้สบายเลยนะไม่ทุกข์แล้วแต่ว่าเดือดร้อนนะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเช่นถูกมันรีดมันไถจะทาธุรกิจก็โดนขัดขวางอะไรเงี้ยนะจะเทศนาธรรมก็โดนขัดขวางมีหมดแนะนะปัญหามีหมดแนะลนะแต่ใจไม่ทุกข์หรอกนะธรรมดาของโลกเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกมันเบียดเบียนกันยิ่งเราเป็นสัตว์กึ่งอบบยแล้วนะยิ่งเบียดเบียนกันหนัก อ้าใครมีธุระจะจาเป็นจะกลับก่อนก็ได้นะเมื่อใครจะไปบ้านตาัด <c oughs> ไปตอนนี้อาจะไปทันไหมรถน้ําทันเลยไม่ทันคงไม่ทันมั้งหลายชั่วโมงบ้านตาดแล้วนั่งระบินกระบินคงเต็มอะ่ะหลวงพ่อก็จะต้องไปเหมือนกันท่านก็ครูบาอาจารย์นะเคยเรียนก็ได้ไประโยชน์กับท่านแต่ไม่ได้ไปวันเนี้ยรอให้คนซาซาของเรา ไ, ไป ยังนึกเลยนะว่าพระภาวนามาถึงระดับนี้นะท่านเห็นขันเนี่ยเป็นทุกข์เป็นโทษร้อยเอร์ซนลยพวกเราชอบไปบอกให้ท่านอยู่นานนมันแปลว่าอะไรรู้ไหมข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญขอให้ครองทุกข์อยู่นานนานเถิดเราติดนิสัยอย่างโลกโลกรู้สึกตายแล้วเป็นความสูญเสียนะขันของเรานี่ของดีของวิเศษเสียดายถ้ภาวนาเข้าจริงๆรู้เลย มมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะแต่ถามว่าใจเกลียดขันไหมใจไม่เกลียดใจจะเป็นกลางกับขันนะเพียงแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยนะองค์ไหนเป็นบ้างก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าถ้ามีพระอรหันต์อยู่เวลาท่านคิดถึงความตายท่านร่าเริงนะร่าเริงคล้ายๆจะได้วางภาราละลงสักทนะีแต่ว่าไม่ใช่ว่าดีใจที่ตายนะไม่ใช่ไม่ใช่เกลียร่างกายไม่ได้เกลียขันเป็นกลางกับขันนาะ ใครจะกลับไปก่อนก็เชิญ น, นะได้ใครยังไม่กลับแล้วมีเหตุผลมีความจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อนะก็คุยได้นะเท่าที่มีเวล า, าให้คนอยู่วัดคุยก่อนอคุณแตม้มมีก็เชิญก็ดูความปรุงอะค่ะหลวงพ่อคุณแต้มดูออกไหมมันชั่วคราวไปหมดนะดูไปเชิญใจมันยอมรับว่าชั่วคราว ยอมตัวนี้ได้ใจสบายแล้วใจเลิกดิ้นเลยทุกวันนี้ใจดิ้นนะเพราะใจดิ้นรนหาอมะตะหาความดีที่อมะตะหาความสุขที่อมะตะนะใจมันจะดิ้นรนอย่างนั้นได้แต่ถ้ามันรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวมันก็หยุดดิ้นหยุดดิ้นเมื่อไหร่มันก็หยุดทุกเมื่อนั้นแหละนะยังดิ้นอยู่เมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นนะนะท่านถึงมีพระอราหันต์องค์หนึ่งท่านอุทานธรรมะนะบอก อ น, นิจจาวตาสังขาราอุปาทาวายธรรมมิโนอุปชิ ต, ตาวานิรุชชนติเตสังวูปสโมสุขโขเตสังวูปสโมสุโคเนี่ยความปรุงแต่งทั้งหลายนะสงบระงับตับไปได้เป็นสุขใจเราจะปรุงตลอดเวลาเลยดิ้นตลอดเวลามันมีความอยากมีความหิวอยู่ตลอดมีความไม่อิ่มไม่เต็มตลอดนะ พรามันอยากหาความสุขถาวรหาอะไรดีๆถาวรอยากไปหาของที่มันไม่มีในโลกเนี่ยทุกเล่ไปเรารู้ทันใจเรานะสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอะไรก็ชั่วคราวใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ใจจะเลิกดิน้นเนี่ยสังขารมันสงบนะสังขารสงบความปรุงของจิตนั้นสงบจีตก็พ้นจากความทุกข์ เตสังมูปัสโมโอสุโ ข, ขสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายดับไปได้สงบไปได้ก็เป็นสุข น, นั้นเราพอนาจนใจเราเลิกปรุงเราก็มีความสุขนะตอนนี้ก็ดูมันปรุงไปแบบไม่มีส่วนได้เสียจะไปห้ามไม่ให้ปรุงก็ไม่ได้ค่ะก็มัวค่ะเมื่อวานยังดีๆอยู่วันนี้ไม่ได้เรื่องเลยค่ะวันนี้ก็ดีนะวันนี้เป็นกลาง ดูออกป่ะดู<ม>ความเป็นอนัตตาที่นั่นแหดีนะวันนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะวันนี้<ช>หแหละดีดีกว่าเมื่อวานอีกครับ <c oughs> ก็มันเหมือนกับเห็นกิเลสได้ได้ดีขึ้นนิดหน่อยครับวันนี้ <c oughs> แต่ว่าเหมือนยังติดหลงเข้าไปคิดอยู่ครับแล้วก็เหมือนกับเห็นว่ามันได้ดีแล้วล่ะฝึกไปนะใจก็โปร่งเบาขึ้นนะ คอรู้ทันความปรุงไปเลื่อยอย่าไปปรุงกับมันดูมันปรุงแต่เราไม่ปรุงมันปรุงมันเช่นมันสุกนลก็อยากให้อยู่นานไปปรุงอยากให้อยู่นานมันทุกข์ก็จะไปปรุงให้มันหายไปเราดูมันปรุงแต่เราไม่ปรุงมันนะฝึกอย่างนี้อสารวัตรอ้นเอ๊ะไม่ใช่สารวัตรแล้วเป็นผู้พันแล้วเชิญครับขอการถามครับคือช่วงนี้รู้อยู่ได้ค่อนข้างจะ ตลอดทั้งวันครับแต่ว่าที่ไปรู้เนี่ยครับมันเหมือนรู้รู้อยู่ตื้นๆนะครับเหมือนรู้แบบแค่ผิวๆครับใช้คําพูดไม่ถูกรู้ว่ามันรู้ตื้นๆอยากรู้ให้ลึกลงไปให้ชัดลงไปรู้ว่าอยากนะคือตื้นหรือลึกอะไรเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยแต่รู้ไปแล้วจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตเรายินร้ายให้รู้ทันรู้สภาวะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันจิตไป เหมือนบางทีรู้รู้ตรงนี้เสร็จแล้วก็หายไปแล้วครับแล้วก็มารู้ใหม่รู้นูรู้นี่ไปเรื่อยครับเห็นไหมว่าจิตจะรู้อันโน้นรู้อันนี้เลือกไม่ได้ครับเนี่ยเราต้องการให้เห็นตรงนี้เราไม่ได้ต้องการรู้ว่ารู้อะไรชัดๆไม่จําเป็นหรอกเราแค่เห็นว่าเออจิตมันทํางานของมันทั้งวันนะมันทําของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราต้องการให้เห็นตรงนี้ต่างหาเพราะงั้นจะปรุงอะไรก็ได้ปรุงหยาบก็ได้ปรุงละเอียดก็ได้ปรุงชัดก็ได้ปรุงไม่ชัดก็ได้ ทั้งหมดก็คือความปรุงของจิตก็คแค่รู้ทันว่าจิตมันปรุงห้ามมันไม่ได้หรอกครับแล้วที่ทำในรูปแบบกับรู้ตัวอยู่ในชีวิตประจำวันณตอนนี้ถูกครับดีก็ไปหัดดูที่ที่แทรกแสงเพิ่มขึ้นนะครับก็เห็นเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับดีเดินไปนะใจอย่างฟุ้งก็รู้ไปเป็นกลาง รู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางนะอย่าไปเกลียดมันสภาวะทุกชนิดเนี่ยจะหยาบจะละเอียดจะใกล้จะไกลจะดีจะชั่วนะจะสุขหรือจะทุกขนะ์นั้นเท่าเทียมกันหมดเลยในขั้นของการเดินวิปัสสนากรรมฐานเลยคือทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปดับไปถ้าจิตรู้ไม่เท่าทันนะจิตก็หลงยินดีจิตหลงยินร้ายนะงั้นให้เรารู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นแคเห็นเขาเกิดแล้วก็ดับ ถ้ารู้แล้วสติปัญญาไม่พอก็หลงยินดียินร้ายให้รู้ทันว่าจิตยินดียินร้ายจิตจะเป็นกลางขึ้นมาแล้วก็รู้สภาวะที่เกิดดับไปแต่เวลารู้สภาวะที่เกิดดับต้องรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นไม่ถลำลงไปในตัวสภาวะพวกเราที่พลาดกันนะดูสภาวะแล้วก็จิตมันถลำลงไปในตัวสภาวะเช่นรู้ลมหายใจเนี่ยจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจมันจะรู้สึกเป็นเราหายใจ แต่ถ้าจิตมันถอด ถ, ถอนออกมาเป็นคนดูมันจะเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจแล้วไม่มีเรางั้นฝึกไปให้ได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปนะฝึกให้ได้อย่างนี้นะเห็นทุกเห็นโทษนะถึงจะพ้นบางคนบอกว่าเห็นความสุขก็ได้ได้เหมือนกันแต่ไม่พ้นหรอกเห็นทุกยังไม่ค่อยจะพ้นไม่ค่อยจะวางเลยไเห็นความสุขอย่างเดียวแบางคนอยู่กับสุภกรรมฐานนะ พระพุทธเจ้าสอนอสุภะกรรมฐานนั้นจะอยู่กับสุภะกรรมฐานจะอยู่กับของสวยของงามทั้งวันแลววันหนึ่งจะพ้นไปให้พ้นหลักมันเกินเลยเกินภูมิไปดูไปเอาใครมีความจำเป็นเท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่อยากนะเบอร์สิบอคือตอนแรกตั้งใจว่าจะส่งการบ้านตอนที่ ได้มาอยู่วัดนะคะซึ่งก็ใกล้แล้วแต่จิตมันมีความมันมีรู้สึกว่าทุกอย่างก็ไม่เที่ยง<ช>ถ้ามัวแต่รอถึงวันที่เราจะมาอยู่วัดเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสส่งการบ้านก็ได้จริงอาจจะไม่ได้มาอยู่วัดก็ได้ค่ะใช่ค่ะจิตมันก็เลยบอกว่าต้องขอส่งสักทีหนึ่งก่อนอะไรอย่งนี้ค่ะ ก, ก็คืออยากาให้หลวงพ่อเมตตาว่าทุกวันที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ค่ะ ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆอะค่ะมันรู้สึกว่าเห็นกายกับจิตมันเริ่มแยกออกจากกันแลวเพราะความสุขพุ้งซ่านที่เคยมีแต่ก่อนมันก็ลดลงไปมสมาธิก็ตั้งมั่นมากกว่าแต่ก่อนนะคะเมตตาให้หลวง<ส>พ่อเจสมาธิปัญญา ม, มาเองอ ะ, ะถ้ารู้หลักนะฝึกไปจจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีสติมีสมาธิคือความตั้งมั่นนะปัญญาก็เกิด ฝึกแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าไปประคับประคองไว้ค่ะไปประคองจิตให้นิ่งๆอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นเราไปประคองแล้ใช่ค่ะช่วงนี้แล้วต้องดูด้วยจิตถึงฐานจริงไหมตัวนี้สําคัญมากเลยตรงนี้แหะค่ะหลวงพ่อที่หนูไม่มั่นใจว่าทุกวันที่หนูปฏิบัติวิธีดูนะว่าจิตถึงฐานหรือเปล่านี่ให้รู้ทันจิตที่ไม่ถึงฐานน่ะจิตมันไหลตลอดเวลาดูออกไหมเห็นค่ะไหลแวบแวบแวบทางนู้นทางนี้ไปด้วย เนี่ยไหลละรู้สึกไหมเห็นค่ ะ, ะรู้ทันมันไว้ไวนะแต่วิธีที่จะช่วยให้เรารู้ทันได้ไวก็คือต้องมีเครื่องอยู่ของจิตที่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะอยู่กับท้องพองยุบอะไรก็ได้ไม่สําคัญหรอกแต่ว่าพออยู่กับเครื่องอยู่นั้นแล้วเราคอยรู้ทันจิตไว้มันจะทําให้พอไหลปุ๊บพอรู้เร็วเช่นเราอยู่กับพุโทโธอย่างความอยากพูดเกิดขึ้นรู้สึกไหมรู้ค่ะออนะเนี่ยรู้อย่างเนี้ยวับก็ดับไปแวบดับไป แต่ว่าใจต้องไม่นิ่งไม่ทือเท่านั้นแหละแล้วคือถ้าหนูขาเครื่องอยู่โดยการรู้ที่กายอะค่ะแต่ว่าไม่จอดจงว่าตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะได้รู้อิริยาบดรู้มันทั้งตัวแต่ไม่เพ่งทั้งตัวนะค่ะบางคนมันเพ่งทั้งตัวนะถอดจิตมาไว้ตรงนี้แล้วก็เหมือนก็มองลงมาอย่างนี้แล้วก็เนี่ยคอยจ้องไว้ทั้งวันอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยคือทีนิ้หนูต้องคอยดูว่าจิตที่ หลวงพ่อบอกว่าว่ามันตั้งมั่นจริงหรือเปล่าอะไรงนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูหนูหนูอะไร <c oughs> คือหนูตอนนี้มันมั น, ม, นมันตื่นเต้ น, นะคะหลวงพ่อมันก็เลยมองไม่ออกสภาวะมันจะกระจายกระจายอยู่อะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าดูชีวิตประจําวันหนูจะเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นสภาวะที่เห็นแวบแล้วก็มันมีจิต ท, ที่แยกออกมาแล้วก็เห็นสภาวะแล้วมันก็ดับปุ๊บกแล้วละไปอย่างเงี้ยคะ่ะ ห, หลวงพ่อถูกแล้วละอะเบอยี่สิบแปด นมาส ก, การหลวงพ่อครับครับช่วงหลังนี้ไม่ไม่ได้มีโอกาสมาสง่งส่งการบ้านนะฮะก็ที่ผ่านมาก็สองปีสองปีกว่าสองปีแล้วเหรอหลวงพ่อยังนึกว่าแวบๆบแบบเห็นหรือเรื่อยๆรู้สึกคนแก่นะเวลาผ่านเร็วแล้วไงก็ช่วงหลังช่วงหลังนี้ก็ไปเดินจงกรมแล้วก็พลิกกลับหน้ากลับหลัง ออะะไรนะเดินกลับหน้ากลับหลังแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามันมั น, มนหลุดออกมามอะไรนะมันมีอาการของเหมือนกับสภาวะบางอย่างเนี่ยมันหลุดออกไปเออนะครับก็กลับมาเหมือนไม่เคยภาวานามาก่อนนะ อ, อืทีนี้วันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ที่ทําไปเนี่ยมันถูกแล้วไปทําอีกนะทําไปตอนนี้ก็ใช้วิธีสติใช้ใช้ดูสติกับกายเป็นหลักนะฮดีถูกแล้ว ทำไปนะถ้าใจมันค่อยคลายออกจากโลกเองอ่ะรู้สึกไหมมันห่างออกไปห่างครับนะห่างโลกออกไปแล้วแล้วก็กิเลสมันมันจะชัดขึ้นนะฮะเพราะสติเราเร็วขึ้นครับก็ทุกวันนี้ก็จะจะติดอยู่สองตัวะตัวประคองนิดนึงแล้วก็จะมีโมหะคุมอยู่อ่าคุมนิดนอย่าไปเกลียดมันนะครับประคองรู้ว่าประคองอยากจะหายรั่วอยากมีโมหะรั่วมีโมหะ อยากจะให้โมหะหายไปรู้ว่าอยากนะรู้สภาวะแล้วก็รู้ทันจิตที่มันยินดียินร้ยนายเนะี่ยใช้หลักนี้ตลอดเลยครับนะฝึกได้ดีคุณครับขอบคุครั บ, รบจิตถึงฐานหรือเปล่าก็วันนี้ฟุ้งนิดนึงครับอะไรนะวันนี้ฟุ้งครับฟุ้งอีกหนึ่งนะถูกใช้ได้สอบผ่านลนะเบอร์สี่สบหนึ่งกรับในะมรรการหลวงพ่อคะ่ะก็ประมาณเกือบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกิเลสรุนแรงมากอะคะ่ะ ก็สู้กับมันโดยเฉพาะตัวโมหะเนี่ยค่ะมันเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิมันจะครอบงำรุนแรงก็อดทนอยู่กับเขาไปบางวันก็เป็นกลางบางวันก็ย่ำแย่ค่ะแล้วก็จนกระทั่งวันประมาณวันที่สิบกูไม่แน่ใจอะค่ะมันครอบงำหนักมากจนจิตมันเคลิ้มแล้วก็เห็นมารเขายิ้มย่ค่ะแล้วทีนี้ก็อดทนถอนฟันมันเลย อดทนค่ะก็เสร็จแล้วก็ขึ้นมาเดินเดินแล้วก็มานั่งก็ก็มีอาการมากแล้วก็มันก็เราเป็นอะไรแล้วก็เห็นว่าอ๋อจิตมันเบื่อมันมันแห้งมากอืเสร็จแล้วก็อดทนเดินไปอ่ะค่ะแล้วก็วันนั้นก็มีอาการสัดสายมากแล้วตกกลางคืนก็เลยทําใจได้ยอมรับมันวันรุ่งขึ้นมันก็เป็นกลางก็ยังนั่งสมาธิก็ยังเคลิ้มแต่ก็เห็นเห็นจิตตัวสําคัญนะไม่ใช่ว่าจิตเป็นยังไงนะคะ ตัวสำคัญก็คือเป็นกลางหรือเปล่านะครับรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางตัวนี้ต่างหากที่สําคัญก็เขาสภาวะทั้งหลายเนี่ยเท่าเทียมกันหมดเลยะกุศลกับอกุศลนะในขั้นเนี้ยเท่ากันนะอยู่ที่ว่าจิตเป็นกลางหรือเปล่าถ้ากุศลเกิดแล้วจิตหลงยินดีใช้ไม่ได้อกุศลเกิดแล้วจิตหลงยินร้ายใช้ไม่ได้อกุศลเกิดแล้วจิตรู้ด้วยความเป็นกลางใช้ได้สาธุค่ะที่นี้ก็ เมื่อคืนก็มันก็คิดจะส่งการบ้านหลวงพ่อนะคะในขณะที่แม้จะเห็นเห็นอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่สามารถจะดีหรือยังไงได้ยังไงค่ะเสร็จแล้วก็ขณะที่เขาคิดเรียบเรี่ยงว่าจะส่งการบ้านเขาก็มีความปลื้มค่ะก็จะเห็นเห็นลกอยู่จิตเขาก็เห็นขึ้นมาว่ามันธรรมดามันไม่ได้มีอะไรดีวิเศษมันทุกอย่างมันธรรมดาหมด แล้ว เ, เช้านี้ก็มาก็ด้วยใจว่างๆแต่ตอนที่หลวงพ่อเทศเรื่องจิตนี้เป็นตัวทุกข์อะค่ะหนูก็รู้ว่าผมทําแล้วคงไม่ถึงแต่ทําไมมันเหมือนถึงใจมากแล้วมัน ม, มันเต็มตื้นอะค่ะ ม, มันสถานสะเทือนมากเลยเออนั่นแหละธรรมะมันเบิกทางให้เรานะนกลุยทางให้จิตเดินไปแต่ไปจิตก็เดินในร่องที่มันเคยเดินนี่แหละที่ครูบาอาจารย์เทศนะบางทีก็เทศลุยไปข้างหน้านะเหมือนรถแท็กเตอร์แหวกเข้าไปให้ก่อนอะ่ะ เนี่ยจิตไม่ค่อยเดินตามไปทีนี้ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยบางครั้งก็คือจะเห็นธาตุในกายอืก็คือกายจะหายไปมีแต่ธาตุชีพแล้ธาตุนั้นก็ยังมีอากาศแทรกอยู่เหมือนฟองน้ําใช่ไหะทีนี้ว่าพอถึงตรงนี้แล้วมันเดินต่อไม่ได้ค่ะเข้ามาที่จิตสิจิตมันก็จะมีความคิดสงสัยว่าจะดูอะไรดีรู้ว่าสงสัย คือขณะนั้นมันก็จะเห็นว่ามีความคิดแวบไปแวบมาแล้วก็นิ่นอยู่แล้วอย่าถลําลงไปดูนะดูห่างๆไปเห็นความคิดลอยไปลอยมาอยู่ห่างๆแล้วอขอหลวงพ่อเมตตาชี้นะอะมีอะไรต้องปรับปรุงไหมคะไปทําต่อนะใช้ได้แล้วเมลังหลวงพ่อจะหารูปพระพุทธเมตตามาตั้งแล้วใครๆก็ขอพระเมตตาเรื่อยขอหลวงพ่อเมตตา <c oughs> <c oughs> ขอพระประธานอภัยค่ะหลวงพ่อขาแล้วมานี้มีจริงปะคะมีที่เห็นนี้จริงหรือเปล่าคะให้เห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มานั้นมีจริงตอนเห็นหลวงพ่อไม่ได้ไปเห็นด้วยนี่เห็นเป็นหน้าตาเลยอะคะ่ะหน้าเหมือนไกลรู้ไหมหน้าเหมือนตัวเองใช่นี่ <laughs> มันเห็นมานตัวจริงและ้ะถูกเป๊ะเลยนี่แค่เราลองอย่างหนึ่งรู้แล้วลเห็นไหมเห็นนะามาน่ ะ, ะไม่ใช่หน้าตาเป็นยักษ์นะหน้าเหมือนเราเองเปียกเลย <laughs> มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะไปนั่งคุยกับท่านเมื่อไม่กี่เดือนนิ่งท่านก็บอกสงสัยมาร ม, มันมีจริงไหมเนาะแล้ววันหนึ่งท่านก็เห็นมารเห็นดูไปดูไปเฮ้ยหน้าเหมือนเราเลยอกนั้นท่านน่ารักนะท่านบอกว่าเห็นมาร น, นะแต่มันนะทำะไรเราไม่ได้เราก็ทำอะไรมันไม่ได้เสมอกันอ่าวเบเก้าสิบสี่ ่คเขาโ อ, อกาสค่ะเขาส่งการบ้านในรอบ6เดือนนะคะเขาที่แรกที่เขาหเดือนที่แล้วมาที่ได้มากราบหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อได้ทักว่าเครียดและตลอดเวลาของช่วง6เดือนที่ดูมาจะพบว่าตัวเองมีโทสะแรงอแล้วก็รู้ว่าใจาไม่เป็นกลางจะเห็นโทสะที่แรงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเกิดปัญหาที่สงสัยว่าโทสะที่แรงกับความเครียดตรงนี้เนี่ยมันมันปนเปผสมกันปนกันเยอะนะ คือจิตที่จิตที่มีความเครียดจิตที่มีความทุกข์เนี่ยเป็นโทสะโมูลจิตเป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะเสมอแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเราเครียดหรือจิตเราทุกข์ขึ้นมาแสดงว่าในขณะจิตนั้นแหะมีโทสะอยู่แล้วละ่ะค่ะนะเพราะน้นที่โยมเห็นนะเห็นถูกแล้วแล้วที่เห็นคื อ, <ม> ค, อคือปฏิบัติต่ อ, อยิงในแนวทางนี้ไหมคะหรือว่าให้รู้ทันไปนะอย่างมันเครียดขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบอยากให้หายรู้ว่าอยาก ความเครียดความทุกข์ทั้งหลายนะจริงๆแล้วมันมาจากไม่สมอยากน ะ, ะใจไม่สมอยากอยากดีแล้วมันไม่ได้ดีอย่างใจก็เครียดอเงี้ยน้่เราคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยอยากให้หายเครียดรู้ว่าอยากแ ล, และจะแยกระหว่างการมีวิญะาณในการปฏิบัติกับความเครียดนะฮะจะไม่ทราบว่าตรงนั้นเนี่ยคือเครียดมาจากโลภนะ มันรอบมันอยากได้อยากดีอยากเป็นอะไรเงี้ยอยากได้ธรรมะเร็วๆอยากเป็นพระโสดาบันอะไรเงี้ยพออยากแล้วใจมันก็ดิ้นรนขึ้นมามันก็เครียดขึ้นมานะส่วนความเพียรนี้ไปด้วยสตินะเมื่อไรมีสติเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงในขณะนั้นกิเลสที่มีอยู่หายไปในขณะนั้นกิเลสใหม่เกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่เรามีสติเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงในขณะนั้นกุศลเกิดขึ้นแล้ว นั่นแหละเรียกว่ามีความเพียรคําว่ามีความเพียรไม่ใช่ว่าขยันไปเดินคําว่าความเพียร น, นะมันหมายถึงว่าเพียรอะไรเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะอกุศลเก่าก็ดับไปนะเพียรทําให้กุศลเกิดขึ้นนะถ้าเราภาวนาเรามีสติอยู่เนี่ยสติเกิดขึ้นมาทุกทีก็เรียกมีความเพียรทุกทีก็คือถูกต้องแล้วใช่ไหมคะใช่แต่รู้อย่างเป็นกลางนะค่ะ <C> ดูออกเปล่าแล้วว่าไม่เครียดเท่าก่อนแล้วรู้ว่าเครียดมากค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าเครียดเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าแต่จะมองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเคยคิดว่าตัวเองมองโลกในแงด่ดีแต่ปัจจุบันจะดูเหมือนเห็นอะไรก็เป็นทุกข์ใช่ค่ะดูไปนะั่ดูไปอย่างเป็นกลางถ้าเป็นกลางนะโลกมันก็ทุกข์ของมันนะแต่ไม่เข้ามาถึงใจเราค่ ะ, ะไม่ทราบว่าจิตพัฒนาขึ้นมาบ้างไหมพัฒนาพัฒนานะพัฒนาเยอะด้วยและจิตพอตื่นไหมคะ เตืนสิค่ะอย่างตานนี้รู้สึกไม้มีเร่เครียดเท่าไรที่เครียดเข้าไปประคองไว้เท่านั้นและเราจะปล่อยไม่ให้ประคองได้ยังไงคะให้รู้ทันว่าประคองค่ะอยากปล่อยรู้ว่าอยากรู้ทุกอย่างอยางที่มันเป็นนะถ้ามันหลุดหมดเลยเกษียสิบเก้าการามัสาะหลองพ่อค่ะขนานี้กดไว้นิดหน่อยค่ะติดไม่ตั้งมั่น ขยื่อนออกมานิดหน่อยอะโอเ้เก่งแล้วก็สว่างหรือมัวมัวค่ะโอเ้เก่งตั้งแต่หนูเริ่มฝึกภาวนามาก็ส่งกันบ้านมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็ประมาณสองปีอะคะ่ะสิ่งที่หนูเห็นได้มีโอกาสเห็นสภาวะธรรมตามจริงได้บ้างก็คือเวลาที่เกิดสติปัฏฐานอะหนูจะเห็นว่าโลกแยกห่างออกไปหรือแต่จีใช่ใช่ก็มีจิตที่ไปละลึกรู้รูปประธรรมบ้างนามประธรรมบ้างอะคะ่ะ <laughs> แต่หนูจะรู้สึกว่าแรกๆเนี่ยพอเวลาสติจิตตั้งมั่นเนี่ยสติรละลึกรู้กายเนี่ยจะรู้สึกว่ากายไม่ใช่เรา<ม>แรกๆก็จะกลัวหลังๆเนี่ยเหมือนชินแต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นมันจะมีความรู้สึกอุ่นใจแทรกเข้ามาว่ากายไม่ใช่เราก็ไม่เป็นไรจิตไงที่คือตัวเราเ<อ>แล้วก็หนูจะเห็นว่าคนถาวบอลไม่มีจริงค่ะเวลาที่เกิดสติปัฏฐานเนี่ย กายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจออกายมันไม่เคยบอกว่าเนี่ยคือแขนคือขาคือตัวเราจิตต่างหากที่ไปรวบทุกอย่างเข้ามาว่ามันคือตัวเราหนูรู้สึกว่าอย่างเวลาที่เกิดสติปัฏฐานเนี่ยใจจะทำงานขึ้นมาก่อนดิ้นรนขึ้นมาแล้วก็สั่งกายเคลื่อนไหวพอกายเคลื่อนไหวกระทบรูปใจก็ปรุงแต่งต่อสรุปสลับกันไปมาหนูรู้สึกว่าสองปีเนี้ยหนูภาวนาแคบเข้ามาที่ใจมากขึ้น เ, ออเพราะว่า ปัญหาทุกอย่างเนี่ยเกิดที่ใจทั้งหมดเลยเวลาที่ไม่ได้เกิดสติเนี่ยก็ไปรวบเอาทุกอย่างเข้ามาว่าคือเราแล้วก็เกิดความทุกข์เออต้องอย่างนั้นสิสองปีภาวนาได้ถึงตรงนี้แล้วก็มาติดอยู่ตรงที่ใจไม่เป็นกลางค่ะหลวงพ่ อ, อ, อนะตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ส่งการบ้านหลวงพ่อเลยจนกว่าใจจะเป็นกลางเพราะทั้งชาติก็คงไม่ได้ส่งค่ะเพราะว่ามันกลางยากเหลือเกินหนูหนูอย่าไปอยากให้กลางนะ ใจมันยังอยากให้มันเป็นกลางอยู่ค่ะ<ฆ>นะให้รู้ทันใจที่อยากเป็นกลางนั่นแหละค่ะแล้วก็สารภาพว่าส่งกันบ้านหลวงพ่อเพราะอยากจริงๆเพราะช่วงนี้ภาวนาล้มลุกคุก ค, คานะคะ<ฆ>เห็นแต่ทุกข์แล้วก็ที่มาเนี่ยอยากได้แรงกลับไปได้นะการบ้านที่จะส่งมีเท่านี้เจ้าค่ะ<ฆ>ครัต่อไปนี้ดูทุกอย่างนะแล้วก็รู้ทันจิต ท, ที่ไม่เป็นกลางไว้นะ ใจมันค่อยๆซึมซับความจริงว่าทุกอย่างไม่มีเราตอนนี้ยังเห็นจิตเป็นศูนย์กลางของความเป็นเราอยู่นะแล้วก็ดูไปเรื่อยเมื่อไรที่จิตรู้สึกตัวขึ้นมานะความเป็นเราไม่มีเมื่อไรจิตไปปนอยู่กับความคิดนะความเป็นเราก็มีขึ้นมามันเหมือนได้เห็นสภาวะธรรมมีโอกาสได้เห็นสภาวะธรรมจริงๆที่ไม่ใช่ปนด้วยความคิดแต่ว่าใจหนวดไม่เป็นกลางมันเลยไม่หลุดออกมาใช่คือ ต้องฝึกไปจนมันอัตโนมัตินะสติก็อัตโนมัติไม่ได้เจตนาะระลึกก็ะระลึกสมาธิก็อัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็ตั้งมัน่นะปัญญาไม่ได้เจตนาวิจัยวิจาร์วิเคราะห์ อ, อะไรนะแต่มันก็อย่างซึ้งเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณนะ์ถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าแต่ไปสติสมาธิปัญญามันจะรวมลงมาที่จิต ที่หนูภาวนาแล้วหนูรู้สึกไหมมันค่อยๆทวนเข้ามาหาจิตใช่ค่ะเออนั่นแหละที่คําว่าโอปะน้ยิโกะมันน้อมเข้ามาหาตัวเองนะมันทวนเข้าหาตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองเหนียวแน่นลึกซึ้งที่สุดก็คือจิตนั่นเองงั้นการภาวนานะั้ยนะถ้าทําถูกนะมันทวนกระแสเข้ามาเคยได้ยินคําว่าทวนกระแสไหมไกระแสของอะไรของความปรุงแต่งนั่นแหละมันทวนกระแสของความปรุงแต่งเข้าหาศูนย์กลางของความปรุงแต่งเข้ามาหาจิตนะเพราะว่าเมื่อก่อน หลวงพ่อพูดคำว่าจิตตั้งมัน่นจิตหนูไม่ตั้งมัน่นหนูไม่เคยเข้าใจว่าจิตตั้งมั่นคืออะไรแต่ตอนนี้มันทวนเข้ามามากขึ้นมีโอกาสได้เห็นจิตแท้ๆจิตที่มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆถึงแม้ว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยๆแต่ก็มีโอกาสได้สัมผัสถึงสภาวะแบบนะรู้แล้วใช่ไหมหลวงพ่อสอนจริงๆนะจริงค่ะ <c oughs> จริง <c oughs> ทุกคาสอนเลยหนูพิสูจน์ได้ด้วยตัวหนูเองอืมไปทาต่อนะ แล้วต่อไปหนูก็จะเจอว่ากระทั่งจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเรานะอย่าอยากให้เห็นนะมันเห็นของมันเองมันอย่างซึ้งของมันเองอย่างซึ้งเมื่อไหร่ก็เป็นพระโสดาบันเมื่อ น, นั้นแหละจะรู้เลยโลกาธาตุนี้กลวงกายนี้ก็กลวงใจนี้ก็กลวงไม่มีความเป็นตัวเราอยู่ตรงไหนสักนิดเดียวเลยนะคราวนี้โลกาธาตุก็ทุกไปสิาธาตุขันก็ทุกไปส่วนของาธาตุขันนะไม่มีใครเป็นผู้ทุกหรอก ไปฝึกต่อนะไปพ่อนาเก่งนะ37กราบนมัส ก, การครับหลวงพ่อก็ฝึกมาได้ประมาณ2ปีครับก็อยากให้หลวงพ่อบี้ได้เต็มที่เลยครับฮะหรอครังั้นเลยเหรอครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่าเพ่งนะครับก็กลับไปก็พยายามที่จะไม่เพ่งก็คือจะให้มันเผลอไปแล้วค่อยตามรู้ครับหลวงพ่อก็รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นครับแล้วอออพอ มาสักประมาณปลายปีอะครับเมันเกิดเรื่องมันเกิดกับตัวเองมันไม่เท่าไหร่ครับแต่พอมันไปเกิดกับคนในครอบครัวเนี่ยเหมือนจิตมันลงไปตะคุบแล้วก็มันทิ้งกรรมฐานไปเลยครับเหมือนกรรมฐานแตกไปเลยครับอันนี้เหมือนพอมันเริ่มรู้อีกทีนึงก็เหมือนกับลงไปคุกเยอะมากแล้วครับพอจะมารู้สึกตัวอีกทีนึงมันก็เหมือนกับไม่เหมือนครั้งแรกแล้วครับมันมันจะรู้หรือมันจะไม่รู้มันมันบอกไม่ถูกอะครับหลวงพ่อพอจะไปเพิ่มแรงโดยการสวดมน นั่งสมาธิพอทําแล้วมันก็ไม่เหมือนเก่าอะครับหพอ่อก็เร่อยๆใจมันเป็นธรรมชาติมากกว่าเก่านะเป็นธรรมชาติธรรมดามากขึ้นเราไม่ได้ไปเค้นมันไปบังคับมันครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องกลับไปทํำสมถะนะเพื่อจะได้กําลังไม่งั้นเดี๋ยวต่อแปมจะกระจายกว้างๆแล้วฟุ้งออกไปเลยครับคือตอนนี้พอพยายามทํามันก็มันก็เหมือนกับอย่าอยากให้สงบนะทําเล่นๆทําเป็นเครื่องอยู่ ทุกวันก็ทำสมถะจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่ได้ทำด้วยความอยากแต่ทำเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ควรจะทำแล้วไม่ค่อยสงบเองอะค่อยเข้ามาตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมีอะไรที่ไปติดไปข้องอะไรไม่ไม่ไม่มีติดค้องแต่แรงมันยังไม่พอกำลังของจิตไม่พอฝึกให้มันตั้งมั่นหน่อยตอนนี้เราเห็นไหมโลกธาตุมันห่างออกไปแล้ว ครัมันห่างเ อ, อัมันห่างนะงนี่ห่างเสร็จแล้วถ้าใจเราไม่มีแรงแล้วมันก็ค้างๆกันอยู่งั้นอืมครับแล้วเรามาฝึกให้ใจมันตั้งมั่นจริงๆเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆนะครับมันจะทวนกระแสเข้ามาข้างในนิดหน่อยไม่ทวนลึกมากครับแต่ไม่ใช่กระจายกว้างๆลอยๆกว้างๆเบอร์ๆไปครับคือเหมือนตอนนี้มันไม่ถึงฐานใช่ไหมไม่ถึงฐานแต่นิดเดียวนะไม่มากหรอกอย่าดึง ให้รู้ทันว่าใจกระจายกว้างๆออกไปมันจะเข้ามาพอดีพอดีถ้าไปดึงมันจะแน่นอย่างเก่าอะแต่ว่าจะทําสมาธิแบบเก่าไม่ลงแล้วนะจิตจะสงบนิดเดียได้ไม่นานยืดออกมาเดินปัญญา ม, มันไม่ยอมลงมันก็ดีโปร่งออกมาเลยเพราะว่าจิตมันจะเดินปัญญาแต่เราต้องเชี่ยวเข็นมันกันทุกวันก็ถือว่าเป็นหน้าที่ต้องทําสมถะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทํามันลูกเดียวเลยทําไปเรื่อยครับนะ จิตที่เคยเดินปัญญาแล้วเนี่ยจะให้กลับไปทำสมาธิเนี่ยรู้สึกอึดอัดคับแคบใช่ครับใช่ครับแล้วพอทอไปจะบางครั้งลงไปนั่งเนี่ยครับมันฟุ้งทั้งตลอดเวลาเ ว, าเวาการนั่งนั่นแหละ บ, บริกรรมพูดโทรอะไรหายใจอะไรก็ทำไปนะครับจะฟุ้งก็ทำจะสงบ ก, ก็ทำครับไม่หวังว่าจะส ง, งบหรอกทำไปอย่างสบายๆถือว่าเป็นหน้าที่พอเราไม่คาดหวังสงบเองแหละ พอมันเข้ามามีเรื่องมีแรงคราวนี้ออกมาดูโลกธาตุนะก็บานที่ตัดเลยนะครับเข้ามาเจริญปัญญาด้วยจิตที่ทรงสมาธิจะตัดเร็วครับนะแล้วไม่ออกนอกลู่นอกทางใช่ไหมครับหลวงพ่อไม่ออกครับขอบคุณครับหลวงพ่ออย่าไปดิ้นรนค้นคว้าเยอะพวกเราพอนานดีๆขึ้นเยอะมากเลยนะ mm hmm. เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้หรอกแต่ละคน ใจค่อยเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นนะทุกคนมีหน้าที่นะอย่างหลวงพ่อก็ทำหน้าที่เหมือนเราต่อเทียนมาจากครูบาอาจารย์เรามาต่อให้พวกเราทุกคนเป็นเทียนคนละเล่มนะวันหนึ่งเทียนของเราติดไฟดีแล้วสว่างแล้วล้วก็ต่อเทียนออกไปทุกคนมีหน้าที่อย่างนี้แหละเรียนธรรมะให้เข้าใจให้ใจเราสว่างด้วยกระแสของธรรมะแล้วก็ไปทำงานต่อแพร่ให้คนอื่นก็ต่อไป เชิญกลับบ้านไป